มีความสุขกันทุกคน <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่สิบเป็นโอกาสดีที่มีผู้ใจบุญได้ทำได้ถ่ยชีวิตโคน <c oughs> หนึ่งตัวเจ้าภาพมาอย่างออมาแล้วมีโอกาส <c oughs> อยาโยมท่านใดอยากจะมาร่วมถ่ายชีวิตโคกับคุณโยมก็มาได้นะครอบครัวหลีละสุวัฒนาคุณและครอบครัวตันสุดาครอบครัวศอุบุญชื่อวัวแม่ทองโคลได้จัดการถ่ายชีวิตโคหนึ่งตัว อยาโจมท่านใดอยากจะร่วมก็มารวมกันได้เป็นโอกาสที่ดีในกยือดอายุชีวิตโคที่จะส่งเข้าไปสู้ลงข่าสัตว์ทุกวันนี้โครกระเบือก็หายากอยู่สมัยก่อน30สบปีก่อนนิดตลาดนัดอยู่ใกล้ๆเราในเต็มไปหมดมีมีวัว ต, ตัวหนึ่ง <c oughs> วิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในป่ามันหลุดเข้ามาป่าก็เป็นป่าหนาอยู่ป่าน้าป่ารกป่าน้าป่าร ก, านารกคนที่มาไล่จับก็ถือปืนลูกซองมาด่อมดอมมองมอ ง, มองหาวัววัวก็กลัว หลังจากนั้นมาเห็นความกลัวเห็นความมีตายหลวงพ่อก็เลยเอชักชวนพี่น้องเรามาไถ่ชีวิตโคตัวนี้เสียเขาตามไล่ล่าอยู่ทั้งสงวันสามวันก็เลยขอไถ่ชีวิตโคตัวแรกเอาไว้ให้ญาติโยมได้ไปเลี้ยงหลังจากนั้นมาญาติโ ย, ยมก็มาเริ่มไถ่วัวไถ่ควายหลวงพ่อก็อนุเคราะห์ให้ ไทยทีนั่นไทยทีนี่บางทีก็ส0บตัวยี่สบตัวบางทีก็ร0 0ตัวก็มีบางทีก็ส0 0 4 0อยสรอตัวก็มีทั้งหมดก็คงจะรวมกันเป็นหลายพันหยก8 0 0พันหรือ 9,000 พก็ตัวนั่นแหละมีโอกาสพวกเราก็ได้ทำบุญได้่ายชีวิตเป็นการอนุเคราะห์ต่ออายุ ให้กับสัพสัตก่อนที่จะได้ถ่ชีวิตเราก็ได้มาทำพิธีในทางพุทธศาสนาเช่ก่อนวัวที่จะได้เข้าทำพิธีในทางพุทธศาสนาก็นัว่าเป็นวัวที่มีบุญถ้าไม่มีบุญก็คงไม่ได้ถูกไถ่มาไว้โอกาส การเวลาเปิดสถานที่เปิดถงสัยพบนี้คงจะเป็นพบสัตว์เดรอยชานของเขาเมื่อหมดลมหายใจก็คงจะไปสู่พบที่ดีกว่าพบมนุษย์หรือว่าพบเทวดาก็ได้เพราะว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวง ว, วนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่พวกเรานี่เรียกว่าพบมนุษย์ มีขันห้ามีวิญญาณเข้ามาครองคือใจเรานั่นแหละหลงเกิดมาหลงตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ หลงมาถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์บางคนก็สร้างคุณงามความดีหฝากฝ่ายในบุญในกุศลบางคนก็มองเห็นหนทางเดินขัดเก่ากิเลสออกจากใจของตัวเราจนหมดจดจนเหลือแต่ความบริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกัน บางคนก็สร้างสะสมกิเลสเข้าหมักหมมในดวงใจของตัวเองจนมืดมิดแทนที่จะขัดเกลากิเลสออกให้ใจของเราได้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะว่าแนวทางนั้นพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจา้าท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยให้กับสัตว์โลกคือพวกเรานี่แหละได้เดินตามท่านค้นพบเรื่อง <c oughs> ชีวิตเรื่องการดําเนินชีวิต ทำอย่างไรถึงจะดับทุกได้ทำอย่างไรถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้การสร้างบุญในสงอย่างไรถึงขัดเกากิเลนให้ถึงความหมดจดมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถ้าเราไม่มีความเสสละเราก็คงจะถ่ายชีวิตโคอไม่ได้อนนี้เราก็มีความเสสละอนุเคราะห์เพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกัน ก็ทุกคนทุกท่านมีโอกาสโอกาสเปิดไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทำการทำงานทำบุญให้ตัวเราทำบุญให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันนี่แหละนี่พวกเราก็อย่าไปลืมในการทำบุญทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนโมทนาสาธุด้วย เราก็มีส่วนแห่งบุญบุญเกิดจากศรัทธาแล้วก็ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบคนพบใจตัวเองนั่นแหละท่านถึงระวัโตนไปทีพึ่งของตนตนตัวแรกคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาตนตัวที่สองคือใจแต่เวลานี้ใจยังเกิดใจยังหลง เราต้องมาหัดวิเคราะห์หัดสังเกตใจของเราจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากขันท่าจนกว่าใจของเราจะขัดเกลอกิเลสด้วยสติด้วยปัญญาจนกว่าจะถึงความบริสุทธิ์เดินด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญารุ่นล้วนไปไหนมาไหนก็มีความสุขทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ตือนขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้กายรู้ใจจะทำโน่นทานี่ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในวิญญาณในกายในขันห้าของเราแล้วก็รอบรู้ในโลกกรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกันไม่ว่าพระวาโยมบัชีเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจวิญญาณในกายวิญญาณในขันห้าของตัวเรา มีกันหมดทุกคนบางคนก็ได้สร้างสะสมคุณงามมาดีจิตใจก็เบาบางโล่งโปร่งได้เร็วได้ไวใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายหรือว่าแยกรูปแยกนามจากขันห้าเป็นอย่างนี้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ในภาษาธรรมเรียกว่าสติสมาธิเป็นอย่างนี้ สมาธิที่เกิดจากการขบเอาไว้หรือสมาธิที่ปราศจากกิเลสเราต้องหัดวิเคราะห์กิเลสก็มีหลายระดับกิเลสยากิเลสและเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างเบามีหมดอยู่ในใจในกายของเราเว้นเช่นแต่ว่าเราจะเจริญสติเข้าไปอบรมชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลจนใจยอมรับความเป็นจริงไม่มีอะไรมาโต้แย้ง เขาก็ยอมปล่อยยอมวางอจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาทําหน้าที่แทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พยายามระลึกนึกถึงสิ่งคุณงามความดีระลึกนึกถึงบุญมันสร้างบุญอย่างมากก็ถึงใจของเราไม่หลุดพ้นก็ยังมีข้าวพกข้าวห่อติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้าเราไม่หลุดพ้นวันนี้วันข้างหน้าเราก็ต้องหลุดพ้น ไม่หลุดพ้นจริงๆก็จะไปต่อเอาพบนาเพราะว่าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีไปหน้ามีพบหน้ามีพบมนุษย์มีที่เรามองเห็นกันด้วยตาเนื้อพบสัตว์ในราฉานมีดังที่เราพากันมาถ่ายชีวิตนรกมีสวรรค์มี เราพยายามสร้างทางเดินขณะยังมีลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อไรเหมือนกับถอดเสื้อผ้าเหมือนกับถอดเสื้อผ้าเราทำเราทำบุญมาไว้ดีเราเตรียมตัวไว้ดีเราก็ไปสู่สิ่งที่ดีก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีโอกาสก็ให้ช่วยกันอยู่ที่วัดก็พาพี่พาน้องได้สร้างบุญสร้างกุศลมากมาย ตั้งแต่การสร้างวัตถุต่างๆก็เพื่อที่จะให้จิตใจอยู่ในกองโบนเดี๋ยวนี้ก็สร้างอานิสงฆ์ใหญ่สร้างมหาเจดีย์ก็ทํากันไปเรื่อยๆญาติโยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาร่วมช่วยกันสร้างก็ามาปรารถนาที่จะนําทองมาไว้หลออร้อมทําฉัตรมหาเจดีย์ใหญ่ก็ามา อยาจชมท่านใดน้อมกายน้อมใจเข้ามาช่วยหลวงพ่อก็ขอขอบใจหน่วยงานต่างๆที่ให้บริวารมาช่วยทั้งคนไทยบ้างชาวพม่าบ้งางพม่าก็เพิ่งกลับเมื่อวานหรือวันนี้น ะ, ะกลับวันนี้แรงงานชาวพมา่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารก็ให้ได้มาทำบุญทางเอ โรงปูนหรือว่าทางโรงแรมโคสะของคุณชายที่ในคนเจ็ดก็ให้บริวารมาช่วยมาช่วยทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทั้งน้อมนำเอาทองคำมาไว้ประมาณหนึ่งล้านบาทคือทองคำมาไห้ให้ทาฉัตรมหาเจดีย์ ส่วนมหาเจดีย์ก็ค่อยดำเนินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเสร็จไม่เสร็จช้าก็เสร็จเร็วจากไปที่ยังทำอยู่ญาติโยมท่านได้ปรารถนาอยากจะมาตั้งลงทานก็มาได้นําข้าวปลาอาหารก็ามาไว้ในลงทานมาแจ ก, กทานหลวงพ่อก็ให้ทำอยู่ตลอดเวลาที่ลงทานข้างล่างมีโอกาสก็ค อ, อเชิญชวน ส่วนญาติโยมท่านได้ปรารถนาที่จะช่วยชาวพนกิจศพหลวงพ่อก็อนุเคราะห์มอบลงศพให้กับผู้วัยชนมาได้สาปีกว่าหรือ4ปีนี่แหละ มอบลงศพให้ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือทุกคนที่วายชนให้ลงศพหนึ่งโลงแล้วก็ผ้าขาวสองผืนแล้วก็พัดไตาจีวรดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินไปช่วยทำศพอีกศพละห้าพันถ้าพระก็เป็นศพละสามหมืนเดี๋ยวนี้ก็ช่วยไปประมาณ800ร0 0ยร่วมสิบโลงลวมั้งเผอแพบเดียว อย่าโดมท่านได้ปรารถนาอยากจะมาช่วยคนละห้สิบคนละร้อยคนละ200ส่วนโรงนั้นก็ลงละเกตร้อยให้ญาติโยมมามาส่งสมัยก่อนที่ยังเข้าไม่ถึงโรงงานก็ลรงละพันห้าที่เขามาส่งพอเราเข้าถึงโรงงานทางเท้าแก่โรงงานก็เอาด้วยลงละเกตรอยมีโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกัน บางคนบางท่านก็นำโรงมาถวายไว้ให้บางคนบางท่านก็นาจตุปัจจัยมาไว้สมทบในการอนุเคราะห์ให้กับคนตายสมัยก่อน3ามสี่ปีก่อนก็อนุเคราะห์ให้ตาบลสำราญทำไปทำมาเกตแปดตำบลรอบเมืองคอนเจนก็มาขอความอนุเคราะห์ บางทีก็จังหวัดอื่นที่มาตายมาบายชนที่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศรีตายแล้วก็ไม่มีเงินทุนที่จะเอาศพกลับบ้านไม่มีโรงก็มาขอโรงก็หลายคนหลายคนต่างจังหวัดก็เยอะอยู่นี่แหละมีโอกาสเราทำให้อนุเคราะห์ให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันส่วนการขัดเ ก, กเ ล, ล็กเลแเราก็ต้องพยายาม ขัดเก่ากิเลสของเรากิเลสของเราเราต้องละต้องขัดต้องเกาไม่ใช่ว่าไปให้คนอื่นเขาระให้การทําบุญการสร้างประโยชน์เรามีโอกาสได้ทําร่วมกันได้อย่างเรามาถ่ายชีวิตโควันนี้หลังจากนี้ไปก็จะได้คุณหมอพากล่าวคําสมาทานศีลแล้วก็ทําพิธีถวายโคเช่นก่อนน ะ, อ, ะอยากโยมที่ ได้แผ่เบตตาแล้วก็เอาน้ํามารวมลงกันไว้ที่ขัน mm. ก็จะได้ไปประพรมให้กับสัตว์ที่เราได้ถวายทาน mm. เพื่อให้ญาติโยมได้ไปเลี้ยงอีกทีห น, mm. mm. นึ่งนี่มนท่านเจ้าคุณไปประพรมให้หน้อย mm. mm. ออาเจ้ภาพโยมผู้ชาย mm. ก็ถือเอาขันน้ําหอมน้ําอบน้ําหอมนะหรือคุณหมอถือเอาก็ได้ นี่ก็ขอเชิญเจ้าภาพไปที่วัวเพื่อได้ประพรมน้ำให้กับสัตว์จะได้เป็นสิริมงคลของสัตว์ที่จะได้นำไปเลี้ยงมีโอกาสมีบบนก็ได้มาร่วมกันทำทุกอย่างขอให้เป็นบบนขอให้เป็นประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ในโลกปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้า เราก็จงพยายามช่วยกันก็ก็ขอเชิญเจ้าภาพไปประพรมบัวด้วยมันเยอะไปก็พอแล้ว